สดงงจจะตตต้อพอพยใใาาใใใชา ช, ชว่ททีีิไไปเราจะรีบไปฟังเฮสดียโอทีฆะนิกายโอ้เดือนลองเคสเด วันนี้เป็นแคสซีหนึ่งศู์ศูเก้ากลนักงากครูไม่ใหญ่ที่เคารพยิ่งผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสมัครใหม่เพิ่งจะส่งใบสมัครเมื่อปลายปีพุทธศักราชสองพันห้ารอยสี่สิบเก้านี้เองครับผมชอบและชื่นชมรอยยิ้มของครูไม่ใหญ่ <S <S <S จะการได้รับชมดีเอซีแล้วก็รับฟังด้วยความสนุกสนานเต็มใจเพระปกติผมจะไม่ค่อยชอบฟังใครเพราะมีแต่คนชอบฟังผมผมได้ฟังแคสตดีของนักเรียนท่านอื่นอื่นหลายเรื่องจึงสนใจอยากส่งเรื่องของตนมาบ้างมผมเป็นคนเชียงใหม่มไม่เสมอนีอ่ ขายไปอยู่ตรงนั้นก็ใหม่ทั้งนั้นนะเชียงใหม่จะอยู่ไปกี่พันปีก็เชียงใหม่ใหม่เสมอโดยกกำเนิดออืืหแม่ครูผู้ใหญ่นี่ไปอยู่เชียงใหม่นานกว่าอยู่วัดระธรมกายอีกเนี่ยแต่ น, นั้นนี่นะถ้าเทาบวชห่วงวัดพระธรรมกายเด้อแล้วคุณยายแล้วก็เนิร์สไม่ใช่เด้อเนิร กะเดียดไปทางริมน้ำโขงคุณพ่อเป็นนายดาบตำรวจนี่ไม่ใช่กำพลาในกมดาบเลยอดีตเด็กเลี้ยงขาราบาธรรมดาคนหนึ่งพบรักและแต่งงานกับคุณแม่ซึ่งเป็นหญิงในตระกูลสูงหลานสาวเจ้าปกครองนครเชียงใหม่ ผมมีพี่น้อง6คนเป็นชาย3หญิง3คนพี่สาวเสียชีวิตไป1คนผมเป็นลูกชายคนเล็กคุณพ่อและคุณแม่ท่านเลี้ยงดูพวกเราเป็นอย่างดีในทุกด้านทั้งในเรื่องการอบรมบ่มนิสัยโลกฝังศิลธรรมโดย ท, ดนน ท, ท่านจะสอนให้ลูกๆตั้งถือศีล5ทุกคนอุสาห์ดอให้ดูท่านทั้งสองเป็นตัวอย่างถูกต้องเลย บิดามารดาคือครูของบุตรนี่ต้องเป็นตัวอย่างดีๆให้ลูกดูซึ่งทั้งคุณพ่อและคุณแม่จะมีศีลห้าเป็นปกติแล้วมาถึงวันพระท่านจะถือศีลอโบสิสดเพิ่มขึ้นด้วย า, าทุนีทั้งหล่อทั้งสวยเลยพบชาติต่อไปท่านว่าจะสอนดู้กลูกๆตักบาตอนเช้าที่นาบ้านทุกวันนี่คือนาบ้านจะมีโรงทานเล็กๆ มีโต๊ะหนึ่งตัวมีขันใส่ข้าวตักบาตจนกว่าพระจะยอมแพ้คือพระหมดไปแล้วแต่ข้าวยังเหลือทำให้ผมได้มีโอกาตักบาทเป็นอาหารพื้นบ้านคือข้าวเหนียวนึง่งหอมใบตองหอมกรุ่นอร่อยอนึกเลยหิวเด้อมีกับข้าวหรือมีกล้วยน้ำว้าสุกเป็นประจำ โดยได้ใส่บาตรพระสุปฏิปันโนคือหลวงปู่มั่นแลนนะคณะรวมแปดรูปทุกวันข้าเหนียวนึ่งที่ใส่บาตรนั้นหอมกรุ่นอร่อยมากครับหลังใส่บาตรแล้วผมก็ชอบรับประทานเป็นประจำเลยผมจัดได้ว่าเป็นลูกข้าวหนึง่งถ้าได้ยังประทาทานทานนั้นจะเพิ่งกิน ข, ข้าวหนึง่ง จะเพิ่งกินข้าวหนึ่งทุก่อนอกจากนี้คุณพ่อยังเลี้ยงเป็ดไว้สี่ร้อยตัวเมื่อมีไข่คุณพ่อก็จะเก็บไข่มาแจกคนยากจนด้วยโอ้สุดยอดเลยทั้งคุณพ่อแม่มีอัยาศัยใจดีเอื้อเฟื้อเปื่อแผ่อยู่เสมอและก็ไม่ดื่มเหล้าไม่โซพุรีเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละ ชอบไปวัดและชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่เสมอส<า>โอ้โหนี่บุคคลอุดมกติเลยแหละนี่ที่โลกต้องการนครับฟังอีกทีหนึ่งนี่ใจดีเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เสมอปรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังกันนะจ๊ะและไม่เดิมเล่าไม่โสบุรีเป็นเงินซื้อสัตว์เสียสระชอบไปวัดและชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่เสมอนี่จ๊ะ นี่ให้โลกใบนี้ได้ยินได้ฟังกันซะมัง่งจริงทำให้ลูกๆได้นิสัยนี้มาด้วยพี่น้องผมทุกคนไม่มีใครดื่มเหล้าหรือสูบบุหรีเลยอีกทั้งเรียนหนังสือเก่งไงทุกคนผมเองเนี่ย่ยาหาว่าคุยนี่อ่านหนังสือออกตั้งแต่อายุสามขวบอืมไม่าวเอา e n ซ y โคปิเดียมาอ่านหรอก <laughs> จากการแอบเรียนกับพี่ๆที่บ้านโดยคุณพ่อคุณแม่จ้างครูมาสอนพิเศษทั้งครูคนไทยและครูต่างชาตินี่เห็นไหมจ๊ะและศาตาจารย์ท่านก็ขนขวายฝ่ายศึกษาเพราะมีปัญญาบารมีสังสมมากับขนขวายนี่สามขวบยังอ่านหนังสือได้ผมจะไม่ได้ที่อ่านนิยายในหนังสือไทยราชไอคนงานฟังทุกวัน<ฮ> ครูวิจัยอ่านละมเกียนได้ตอนเจ็ดขวบเพราะว่าคุณปู่คุณย่าเจ้าของโรงเรียนท่านมีลูกหลุนเอาไว้เป็นรางวัลและอยู่กันสามคนกับสิบสองตัวเอ้ยยี่สิบสี่ตัวสองสีค่ ค, คือมีคนอยู่สามคนในโรงเรียนนั่นตอนยังคืนเนี่ยแล้วก็ สุนัก24ตัวอตอนกลางคืนแล้วก็ น, นอนอยู่คนเดียวระตกดึกเอเข้ามาอีก4 5ตัวเอาหหนุนมันมันม่งมนหนุน ล, ละมุน <c oughs> ไปอ่านลำเมืเกียนออกตอน7ขวบไปลูกพลุนนี่แหละ <c oughs> ไม่ตอนนี้นึกไปออกเลูกลักษณะเป็นยังไงนะ <c oughs> วันนั้นเจอติ่มซำ <c oughs> <laughs> อะไรมันนั่งอลเลอรได้นี <laughs> ่อาตัวลงอินทตอร์มิชันนี่ไหมจ๊ <c oughs> ะถูกต้องนะ่ยว่าผมเรียนชั้นป .1 ถึงป .4 ป .1 ผมก็ได้ที่หนึ่งป .2 ก็ที่1น <c oughs> ึ <c oughs> ป .3 ก็ที่1 <c oughs> และป .4 ก็ที่1 <c oughs> <c oughs> คือที่หนึ่งทุกปีแต่เรียนพารชั้นถึงสามชั้น <c oughs> และในความที่ผมสอบได้คะแนนสูงมาก ยิ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนลงเรียนตัวอย่างของจังหวัดต้อมามีการสอบคัดเลือกเข้ามาหาวิทยาลัยผมก็ได้ทีนึงสาย ว, <อ>วิทยาศาสตร์มชวิยาธรสายวิทย์ <laughs> ผมเลือกเรียนที่จุฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์และท่านผูนนาในยุคนั้นก็นำผมไปเลี้ยง เป็นลูกไทยหนึ่งในสิบห้าคนที่ไปอยู่บ้านเด็กอัจฉริยะโ อ, อ้นี่ไม่ธรรมดาแล้ว<อ>เคสนี้ไม่ธรรมดาเลยไหมจ๊ะครับนี่สามขวบอ่านหนังสือออกครับแชมป์มาตลอดเลยได้พาชันด้วยเรยกว่ารักษาทีนึงทีนึงทีนึงมาเลย<อ>แล้วเป็นหนึ่งในสิบห้าคนที่อยู่บ้านเด็กอัจฉริยะ<อ>ชีวิตในมหาวิทยาลัยนี้เองผมได้รู้จักเพื่อนครนพี่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 อยู่เสมอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโ อ, โ, โอ้โหนี่เป็นนิสิตในอุดมปติเลยไม่มีเล่าไม่มีบุหรีอารมณ์ดีมีความสุขไม่มีอารมณ์จะทุกข์ใจเลยไม่มีอารมณ์จะทุกข์ใจเพราะ ม, มีอารมณ์ดีอารมณ์ดีมีอยู่ในตัวของเราแต่เราจะหยิบเอาไปใช้แต่นั้นเหมือนกับข้าวอยู่ในตู้กับข้าว <laughs> ในตู้เย็น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 และสหรัฐอเมริกาอดีไม่ใช่แค่ธรรมดากันแล้วแหละนี่ทุกประเทศที่ได้ไปสัมผัสล้วนเต็ไมได้ประสบการณ์ที่ดีต่อชีวิตทั้งส่วนตัวและส่วนรวมในเวลาต่อมาอย่างมากมายมีผู้ใหญ่หลายๆท่านให้ความสนใจในตัวผมอยู่ไม่น้อยในความรู้ความสามารถในการทํางานต่อส่วนรวม จงใจผมได้รับมอบนิติศาสตร์ดุษดีบัณฑิตกิยติมศักด์จากมหาวิลัยศรีประทุมและในขณะเดียวกันกับสําเร็จการศึกษาดุษดีบัณฑิตด้านการบริหารสาธ า, ารณะจากประเทศ ฟ, ฟิลิปปินส์<อ>สุดยอดจริงๆเลยนีต้องไปกินข้าวหนึ่งจะอารมณ์ดีนะส่วนในด้านการทํางานได้เริ่มงานครั้งแรกที่สํานักงานไฟฟ้า โรมโยธาสามเสนจับงานแสงสว่างก่อนเลยเป็นผู้หาแสงสว่างก่อนเลยนี่ไม่ใช่สมาดํชิงตําแหน่งผู้อำนวยการไฟฟ้าภาคเหนือเป็นผู้หายแสงสว่างอีกชีวิตการงานเต็มไปด้วยความสุขผมก็ยังคงเป็นผมคือไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เช่นเดิมสาธุ และยังคงทำบุญตักบาตรอยู่เสมอสาทุโอ้จะให้ภาพนิสุนหายไปจากประเทศไทยเลยภาพการตักบาตรและช่วงนี้ผมได้จัดพิมพ์หนังสือมงคลยิบิจำนวนหนึ่งแสนเล่มเผยแผ่แก่ผู้ตา้บังคับบัญชาตลอดจนบุคคลทั่วไปโดยความตั้งใจที่อยากจะเห็นคนเป็นคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธองค์และตามคาสอนของพ่อ สร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงขึ้นทั่วประเทศ oh. นี่ให้แสงสว่างไปทั่วประเทศแล้ว oh. อีกทั้งนำไฟฟ้าเข้าไปตามวัด ต, ต่างๆ mm hmm. กว่าเก้าร้อแปดส<า>ิบหนึ่งวัดโอ้โหให้แสงสว่างไปถึงในวัด mm hmm. และช่วยบำรุงซ่อมแซมวัดอีกด้วยโ mm hmm. ดยความที่รักในพระพุทธศาสนา mm hmm. อย่าลืม mm hmm. เราเป็นชาวพุทธต้องรักพระพุทธศาสนา เพราะกว่ า, วาจะบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในยากมากคำสอนนี้เป็นความรู้ษาคนมีไว้เพื่อทุกคนในโลกไม่ใช่เพื่อใครคนเดียวหรือหมู่เดียวทีมเดียวนะจ๊ะต่อมาที่เริ่มเข้าสู่วงการเมืองระดับประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 512เลตนาผูแทนรัษดรจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่อาสมัยติดต่อกัน แล้ก็ได้รับตําแหน่งสําคัญทางการเมืองหลายตําแหน่งอาทิเช่นรัฐมนตรีประจาสํานักนา ย, ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาวิทยาเป็นต้นนี่นะเป็นต้นถ้าพูดถึงกิ่งก้านและกาง oh. แทบเหมาหมดเลย oh. ช่วยชีวิตนในการเป็นข่ารายการการเมืองผมให้ประสบะการณ์อันทรงคุณค่ามากมายจริงๆที่ผมกลายเป็นที่ปรึกษาของนักการเมืองมาหลายสมัย จะได้รับยกย่องว่าเป็นครูการเมืองถูกเชิญไปปรรยายในทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอทั้งถวายควา ม, มารู้พระภิกษุสมมณะและบุคคลหลากหลายระดับชั้นโดยความรักและเห็นความสําคัญของเห็นความสําคัญของครูจึงส่งเสริมให้ลูกหลานเป็นครูเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นุชนรุ่นหลังให้เก่งและดีเป็นกําลังสําคัญของชาติและโลกต่อไป ดังคำสั่งของคุณพอ่อที่ว่าคนมีความหู้บะสืบต่อไหลิบหลีกเหมือนไฟน้ามันบ่กขึ้นครูเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลที่น่าเคารพยกยอ่อมเป็นผู้นำแสงสว่างที่แท้จริงครูจึงเป็นที่ชื่นชูอยู่ในดวงใจของสิทธุทุกคนคำถาม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 ได้ไดีบุญที่ท่านใจบุญได้บริจาคที่ดินและปัจจัยสร้างวัดเจ็ดวัดโรงเรียนอีกหลายแห่ง<อ>บวชพระประมาณหนึ่งพันป ร, รุปส<า>ใสบาตรทำบุญที่วัดสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำนี่พ่อของโลกแล้วล่ะอีกทั้งเคยบวชเรียนในพระพุทธศาสนาด้วย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 ร้อยเอจึงมาพบรักกับคุณพ่อซึ่งเป็นเพียงเด็กเลี้ยงคาราวธรรมดาคนนึ่งทันจะเกิดมาเป็นสามีภรรยากันอีกหรือไม่ครับพระบบกรรมใดครับจึงทําให้ผมได้มาเกิดเป็นลูกทั้งทั้งสองซึ่งถูกอบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีเป็นพระบบกรรมใดจึงทําให้พี่สาวคนโตของผมซึ่งผมรักรักสนิทมากเสียชีวิตด้วยวัยเพียงสามสิบปี โดยเราโมเร็งปากมนลูกทั้งที่ไม่ได้แต่งงานผมได้ช่วยดูแลโดยไม่ได้อะไรงเงียดแม้จะมีกลิ่นเหม็นกต็ตามตอนนี้อยู่ภพภูมิใดมีความเป็นอยู่อย่างไรครับเมื่อตออยุติสามขวบผมเคยโดนคนงานจับมือข้างขวาไปวางบนยางมาตอยที่ทำถนนที่ทั้งร้อนทั้งเหนียวทรมานมาก เขไม่โคนิ้วกลางและนิ้วนางติดกันถึงทุกวันนี้ขละตอนอายุ22ปีเคยได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์รถพลิกควา่าผมกระเด็นออกมานอกรถกระแทกับพื้นอย่างแรงสลบไปหลายวันหมอพบว่าผมกระดูกสันหลังหักต้องพาตาตธทําการดึงหลังโดยการนอนนิ่งๆถึงหนึ่ ง, งปี แต่ผมก็โชคดีมีหมอฝรั่งที่เป็นผู้เชีย่ยวชาญด้านนี้รักษาให้จากนั้นผมก็มีอาการปวดหลังอยู่บ่อยๆทั้งสองเรื่องเป็นเพราะกรรมอะไรจะหมดกรรมเหล่านี้เมื่อใดต้องทำอย่างไรครับคุณครูไม่ใหญ่ครับมีคนบอกผมว่าผมประสบกามสำเร็จมาตลอดถึงแต่กเกิดครอบครัวดีเรียนเก่งได้ทุน เจ้าปริญาด้านวิศวะถึงห้าสาขาเรียนสูงถึงปริญญาเอกการงานดีแถมเป็นคนมีอารมณ์ดีเบิกบ้านแต่ก็มีบ้างครับอารมณ์ที่ไม่ดีนะแต่ว่าปรับใจได้เร็วคิดว่าแล้วแต่บุญกตกรรมบุคลิกดีสูงใหญ่แข็งแรงหูดีตาดีหล่อจัง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 ในช่วงที่ทำงานเขให้ความชื่อเหลือคนเป็นจำนวนมากเป็นเวลากว่าสาสปีนับหลายหมื่นคนเป็นต้น<า>จะมีอานิสงส์อย่างไรรับบุปกรรมใดจึงต้องมาทำเช่นนี้ครับผมชอบวิชาการเมืองมากจึงเปเรียนวิชาการเมืองหลายประเทศม่ใช่เป็นที่ปรึกษาน ก, การเมืองทุกฝ่ายจะได้รับฉายาวัครูการเมือง ด้วยความปรารถนาจะเห็นนักการเมืองที่ดีเกิดขึ้นทั่วโลกจึงได้ ท, ทําหนังสือหลายเล่มเช่นครูการเมืองแปลเป็นภาษาต่งางๆห้าภาษาใช้ในมหาวิทยาลัยหลายประเทศและกระดอกไม้ชอม่อม่จะได้รับอนิสงค์อย่างไรสังทำบัณฑกรรมอะไรจึงจะได้มาเป็นครูของนักการเมืองและนักศึกษานักการเมืองที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนาในตนศัตน์นครูไม่ใหญ่เป็นเช่นไร ถ้าทำอย่างไรจึงจะเป็นนักการเมืองระดับภูน้ำดินนานและเป็นที่รักของมหาชนทำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องดินของตนวันที่22พฤศจิกายน2518 22พฤศจิกายน2518ผมได้ข้าพบบุคคลสาคัญของโลกท่านหนึ่งคือท่านเหมาเจ๋อตุง<อ>พูดคุยกันตัวต่อตัว<อ>ในเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่ง จะไม่เหตุให้ประเทศทไทยพ้นจากการเป็นคอมมอนิสต์พุทธศาสนาจึงดำรงอยู่มาจนทุกวันนี้จะมีอานิสงส์อย่างไรระบุปกรมรมใดจึงต้องมาทำหน้าที่นี้ oh. หืมหนอจังคร <c oughs> าวขณะนี้ผมนั่งสมาธิทุกวันเแมีผลที่ดีที่สุดที่เคยนั่งมาคือ <c oughs> เห็นดวงแก้วใสสว่างขนาดใหญ่ เต็มท้องมีประกายเพชรรอบรอบมีความสุขตัวเบาสาธุผมจะมีบทในการถึงวัฒนกายหรือไมอ่ครับ อ, อีกนาทีเดียวกันนั้นผมเคยทราบบารมีกับครูแม่ใหญ่ามาอย่างไรอืม<า>เคยทักน้าทีใดในหมู่คณะปัจจุบันมีความตั้งใจจะขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกจะสำเร็จเพียงไรผมมีหลานชายคนหนึ่งที่ซึ่งรักและคุ้นเคยสนิทสนมกันมาก เป็นคนเรียนเก่งมากชอบาวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันเจบาปริญญายเอกด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโลกแล้วก็เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอในขณะนั้นด้วยเขาจะเป็นที่ปรึกษาของผมเมื่อผมค้นคว้าเรื่องใดติดขัดถามเรื่องใดก็จะตอบได้เสมอเขาจะเป็นตัวแทนผมในการติดต่อ ง, งานและติดต่อบุคคลสาคัญเสมอ เขาทำบุญมาแต่ปางก่อนอย่างไรและเคยสร้างบุญมากับผมอย่างไรเขาจะได้มาร่วมสร้างบารมีกับผมแล้วคุณรู้ไหมใหญ่ไหมครับ <Okay. S 1> มีหน้าที่อย่างไร oh. อหล่อจัง <laughs> ผมมีผู้ช่วยดูแลสุขภาพของผมสองท่าน <laughs> มไม่เกลียวก็ <laughs> อเอียวด้วยที่ผมรู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคย เลาได้พบปะสนันนาทำให้ความกังวลหมดไปแล้วก็รักษาผมถูกโรคซะด้วยทำให้เป็นปกติได้ในเวลาอันรวดเร็วเราก็นิยมิศท่านสองท่านนี้ได้ทำบุญมากับผมแต่ชาติปางก่อนอย่างไรแล้วจะตามไปช่วยผมในชาติหน้าประการดใดอถามกันข้ามชาติกันเลยจะมีส่วนช่วยแห่งงานองผมสาเร็จมากน้อยเพียงไร แ, แต่ละท่านเคยสร้างบุญมากังคุโรไม่ใหญ่ อย่างไรเคยไม่ใีหน้าที่ใดในหมู่คณะเหตุใ ด, ดจะมีความก็ได้ชิดกับผมเรื่องครูไม่ใหญ่มากจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็นตู็ิตะตื่นขึ้นม า, านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารปามรากันจ้า คุณพ่อเสียชีวิตในวัย92ปีโดยโรคชราในท่านนั่งสมาธิพระหมดอายุไขและจากไปได้วยใจที่ผ่องใสที่เกิดจากสมาธิจิตระดับหนึ่งแล้วก็มีภาพแห่งการทำบุญกุศลมากมายของท่าน<อ>ในพระพุทธศาสนา มาปรากฏเป็นกรรมนิมิตทำให้ท่านมีคตินิมิตสว่างและกายละเอียดก็หลุดจากกายหยาบออกมาเห็น ห, หน้าบริวารด้นำบริวารมากมายมากาแถวท่านรับท่าน<อ>กลับไปสู่เทวโลกท่าก็ได้เดินระหว่างแถวบริวารไปขึ้นเทวรลที่เป็นทองประดับรัตนชาติขนาดใหญ่ แล้วกามวยมนุษยลเอียดของท่านก็ได้เปลี่ยนเป็นกายทิพย์เมืม่อท่านนั่งบนรัตนะ บ, บัลลังก์ของเทวรถไปเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ตอนที่นั่งพอนั่งปุ๊ บ, บปุ๊บเลยนี่ดวงใจที่ทําให้เป็นกายทิพย์ก็เปิดขึ้นใช่เลยดวงใจที่ทำให้กายกามนุษยละเอียดก็ดับปุ๊บมันจะไม่ก่อนไม่หลังกันปุ๊บขึ้นมาท่าน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 เราต้งเลี้ยงดูบริวารเป็นต้นมาส่งผลจ้ะสาธุนี่ก็เป็นเคสที่สองที่ไปถึงพระนิมิต ว, วัสดีเคสแรกมีสองสามีภริยาท่องเทวโลกโหนึ่งจังจ้มสี่ห้าหกจกตุมาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมานาร ด, ดิประนริมิต ว, วัสดีแล้ววนกลับมาหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งั้ี่หหก ห, ห, หลายเที่ยว นี่ปุ๊บไปชั้นที่หกแล้วท่านมีชีวิตยอยู่สุขสบายมีบริวารมากมายที่คอยเนรมิตในสิ่งที่ท่านปรารถนาชั้นที่ห้าคือชั้นในมาเนลารีเนี่มมนอยมมาาาอยากได้อะไรทั้งในลมิตเองแต่ถ้าพระเนรมิตรวัสดุดีอยากได้อะไรนี่บริวารช่วยเนรมิตให้<อ>รู้ใจเจ้านายอพอเจ้านายคิดอะไรแบรบแสงวาบ ที่ดวงแก้วกรสิกลางวิมานบริวารปุ๊บถึงบริวารที่เกิดขึ้นในบุญกะในระมิดปุ๊บออกมาเลยตอนนี้ท่านกำลังนั่งอยู่บนัตนาะบันลังกลางวิมานของท่านกําลังตรวจสอที่พยสมบัติซึ่งบริวารได้นำมาให้ดูตั้งแต่ตายวันแรกกระทั่งถึงปัจจุบันยังไม่หมดเลยเพราะท่านได้สั่งสมบุญไว้ามากกําลังปลื้มมากอย่างไม่จบเลยครับ ปลื้มมากยังไม่จบเลยจ้าเราจะยินว่าปลื้มจบหรือไม่ปลื้มจบแต่นี่ปลื้มไม่จบนานมากเลยจ้บที่ท่านสิ้นมาเนี่ยหลายสิบปีมนุษย์แต่ยังนั่งดูที่พระยาสมบัติี่บริวารนํามาให้ดูนี่ยังไม่หมดเลยนี่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 ขอจะให้ลูกประมาทในการดำเนินชีวิตให้มันสั่งสมบุญให้สืบสารการสร้างบรมีแบบที่ป่อได้ทำมาเป็นต้นแบบจ้ะที่ท่านได้ทำมาเป็นต้นแบบจ้ะให้สืบสารในการสั่งสมบุญแบบเยกว่าท่านนี่คือข้อความสั้นๆฝากมาถึงสุดเลยหยุดดูที่พยายสมบัติบริวาร น, นำมาให้ดูชั่วขณะเพื่อที่จะส่งข้อความนี้ Oh. คุณแม่เสียชีวิตในวัย74ปีด้วยโรคมะเร็งปากวันลูกแล้วกันในอดีตเมื่อกลับที่แล้วคือก่อนกลับนี้กลับคือโรคเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปครั้งหนึ่งใครสร้างมันสำคันสําคัญมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> แล้วมีมาหลายครั้ง <c oughs> กันในอดีตเมืกลับที่แล้วท่านได้เกิดเป็นเศรษฐีหนุ่มรูปงามคุณแม่นะ <c oughs> เป็นเศรษฐีหนุ่มรูปงาม ผูชายกลายมาเป็นหญิงโดยไม่ต้องผ่าตัดแปลงเพศแค่สร้างวิบากรรมกามีจะชูแต่นั้นได้แปลงเพศเลยเสติสนมรูปงามจึงทําให้มี ส, สาวๆมาเสนอตัวเยอะเนี่ยนชื่ออาลีมาทําลําดับเลยเต็มต้อยน้อยนี้เล็กแดงเล็กหวานเลยๆไอันนี้ที่ต่างตี่ต่างไอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะจะได้นึกภาพออกไง เนียนติ่มฮะเนียนไตเนียนน้อยเนียนนีเนียนเล็กเนียนแดงอะไรอย่างนี้ท่านจึงสนองตอบด้วยความเจ้าชู้ของท่านจึงสมวันที่ท่านมาเป็นผู้หญิงในชาติต่อมาสมหวังเลยขบพระผู้หญิงมาอยู่ในใจเยอะๆๆๆๆจะไปพลิกนิดเดียวเสร็จโปรแกรมมาเป็นหญิงเลยจะในชาติหนึ่งได้เกิดเป็นผู้หญิงอีก ชาติมาเป็นผู้หญิงแล้วอีกชาติถัดมาเป็นหญิงอีกในตระกูลสามมั น, นได้ประพบเลบิฟกระชายหนุ่มคนหนึ่งก็คือคุณพ่อในชาติปัจจุบันนี้แหละและท่านก็นได้มีโอกาสทําบุญในพระพุทธศาสนายอย่างสมองเสมอแต่ว่าสามีของท่านในชาตินั้นนไม่ค่อยได้ทําเองได้จะคอยสนับสนุนนับหนุน และอนุโมทนาที่ภรรยาได้ทำบุญไม่ขัดใจและก็เข้าใจว่าภรรยาสา ม, มีคือคนคนเดียวกันไม่ได้มีความรู้ว่าใครทำใครได้ใครรับประทานคนนั้นอิม่มในกัเหมือนเหมือกันเพราะในกฎหมายก็บอกเป็นคนคนเดียวกันแต่กฎแห่งกรรมคนละเรื่องไม่ใช่ตอนเราเวลาที่เวียนว่าใจเกิดคุณแม่ก็ได้เคยเกิดในตระกูลของชนสามมัน นี่เป็นว่าแต่เกิดได้เคยฆ่าสัตว์มาทําเป็นอาหารบ่อยๆจนถึงชาติปัจจุบันนี้ด้วยด้วยบุญที่เคยได้ทำด้วยบุญอ้จนมาถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ฆ่าสัตว์บ่อยๆนะจ๊ะพอมาถึงชาติปัจจุบันนี้ด้วยบุญไม่ได้เกี่ยวเรื่องฆ่าสัตว์นะดยบุญที่เคยได้ทํากับคุณพ่อมาในอดีตชาติชาติดังกล่าวที่แม่ทําพ่อนับหนุนเนะี่ย ดิฉันให้มาเป็นสามีภรรยากันอีกโ<ม>ดยบุญที่ท่านได้ทาเองในพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพมาส่งผลที่ท่านได้เกิดในตระกูลสูงสมีทรัพย์มากและก็เป็นที่รักของชนทั่วไปนี<ม>่ทำทานด้วยความเคารพในพุทธศาสนานี่<ม><ม>นทาให้คุณแม่มาเกิดในตระกูลสูงส่วนคุณพ่ออ่ามาถึงพระเอกโ <laughs> ดยบุญ น, นี่แต่คอยนับหนุนก็คอยอันุโมทนา ที่คุณม่ได้ทำบุญในชาตินั้นโดยไม่คัดเลยเพราะเลิฟกันมากแต่ไม่ได้ทําเองในอนุอนุโมทนาแล้วก็ไม่ได้ทําด้วยคือแม่บ้านทําตัวอนุโมทนาแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทดํา<อ> ด, ทด้วยความเคารพไม่ได้ทําด้วยความเคารพจึงทำให้ชาตินี้มาเกิดในตระกูลของชาวนาเป็นแค่เด็กเลี้ยงคารบาลคนหนึ่งและเป็นคาร์บอยค <c oughs> าร์บาว บอยแล้วได้มาใช้ชีวิตและสมบัติพร่วมกันด้วยบุญที่ทําต่างกันดังกล่าว oh. อ่าเห็นไหมจ๊ะนับหนุนกับใช้สมบัติร่วมกัน mm. แต่ตอนเกิดมาต่างกัน <Yeah. S 1> อีกคนเกิดในตระกูลสูงออีกคนต้องในขี่หลังคาร์บาลกัน s right. <S ส่วนคุณแม่เศรษฐกิชูในชาติจะเป็นผู้ชายดังกล่าวเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารจึงทําให้มาเป็นมะเร็งปากบดลูก แต่ว่าท่านเคยทําทานในเพศัตยารักษาโรคต่างทานกับพระภิกษุสามเณร mm hmm. มารอกับบุญในปัจจุบันที่ทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเส ม, สมตอต่อเนื่องตั้งแต่อายุ60ปีก็ mm hmm. นั่งสมาธิเรื่อยๆจึงทําให้ท่านไม่เจ็บปวดทุกข์ทรมานเหมือนคนป่วย ด, ด้วยโรคนี้ทั่วๆไปจะถ้าเป็นมะเร็งนี่จะปวดมากแต่ท่านไม่ mm hmm. พขะบุญถวายเพศสัจจะทุกๆบุญมารวมเงินว่าถ้าเสียชีวิตแล้ว ก็มีบริวานนำเทวรัตมารับแบบเดียวกันกันกบคุณพ่อและพาไปที่สวรรค์ชั้นประณีมิตรวั ส, สวดีมีวิมานทองระดับปรตรนาชาติใหญ่โตอรันสว่างสวัย oh. ติด ก, กันกับวิมานทองของคุณพ่อโด้วยบนที่ทางไว้ในพระพุทธศาสนายอย่างต่อเ น, นื่อง oh. มีมานติดกันแล้ว oh. มีบานลืงเคียงกันแล้ว <Okay. S 1> แต่ตอนนี้นี่เทพดิดา กำลังนั่งชมทิพยะสมบัติที่บริวารนำมาให้ดูอยู่ที่รัตรนาบาลังกลางวิมานทองอย่างต่อเนื่องชิ้นเดียวกับคุณพ่อคือยังปลื้มไม่จบจึงยังไม่ได้พบกันแม้ว่าบ้านเรือนจะเคียงกันรถต่างคนต่างมัวชมทิพยะสมบัติกันอยู่อีกทั้งเวลาของสวรรค์เมื่อเทียบกับเมืองมนุษย์แล้วเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานเท่าใดนะักท่านฝากข้อความสั้นๆมาว่าอืมตอนนี้ท่านมีความสุขมาก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 ทั้งๆ ท, ที่ทำไปแต่งงานมายุตสามสิบปีพระกับในอดีตสมัยที่เป็นผู้ชายอยู่ชาติหนึ่งนี่กือดีตผู้ชายเมืออกีนได้รับราชการอยู่ในหัวเมืองเมืองหนึ่งเวลาที่มีเสนาบดีผู้ใหญ่พร้อมทั้งคณะมาตรวจเยี่ยมราชการตนเองซึ่งรับราชการอยู่เป็นผู้ชายก็มักจะทําหน้าที่จัดเลี้ยงตอนรับคณะอสากลกระทุกกลับเลยนะ ได้จัดนางบำเรอพร้อมนั้งสั่งฆ่าสัตว์มาทำเป็นอาหารเลี้ยงคณะตรวจการอยู่บ่อยๆนี่ฆ่าสัตว์อาหารด้วยลากรรมบนเวียนอยู่กับกามเองเนี่ยส่งนางบำเรอไป็นบำเรอวิบากกรรมนี่มันรวมส่งผลเจ้าตายแล้วก็ได้บนเวียนเป็นภูมิเทวาอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์นานแล้วเจ้าในพิสาไวปเป็นมนุษย์ ค, คุณพ่อคุณแม่อยู่ประณิมิตรวัสดีวิมานติดกันเมื่อตอนอายุสามขวบเคยโดนคนงานจับมือข้างขวาไปวางบนยางมะตอยที่ทำนนนที่ทั้งกรอนและเหนียวทรมานมากจนทำให้คนนิ้วกลางกับ น, นิ้วนางติดกันจนถึงวิจิบาลพระกำเนดีชาติหนึ่งตอนเป็นผู้ชายวัยรุ่นได้มีความครรองถามให้ทันเจะได้กแกล้งเด็กที่เป็นน้อง ของเด็กที่ไม่ชอบหน้ากันน้องคู่อริพูดยังไงน้องของวัยรุ่นคู่รีริในขณะที่ตัวเองกำลังจุดไฟเล่นรอบกองไฟกระเด็ดหลอกเด็กคนเนี้น้องของวัยรุ่นคู่อร่ให้ไปจับครั่งน่ะหรือจักตัวครั่องไม้เครื่องเครั่งแดงๆน่ะที่ตีกับกิ่งไม้แล้วกระดมเครั่งที่ตกิ่งไม้มาหลนไฟจะล้อง แล้วก็บอกกัเด็กว่ามันไม่ร้อนเอาไปเจอลองจับดูเด็กก็เลยลองเอามือจับดูจนครั่งเนี่ยลูกมือบาดเจ็บมีบาป ก, กรรมนี้มาส่งผลให้มาโดนบ้าง โ, <อ>โดยเด็กคนนั้นน่ได้มาเป็นคนงานในชาตินี้ได้จับมือไปวางบนยางมาต่อยเพราะโผล่เวรกันมาด้วยจ้ะ<อ>มีมีก ร, รมไปหลอกเขาแล้วก็คู่คู่กรามมาเจอกัน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 คําเนียดีชาติหนึ่งในเวคานองได้ชวนเพื่อนไปเที่ยวกันในปา่าแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ตัวเองอยู่โคนต้นแกล้งสนุกสนุกด้วยการขยับต้นไม้เพื่อให้เพื่อนคลัวในสุดเพื่อนกับพลัดตกลงมากระแทกกับเพื่อนจนหลังหักแล้วก็สลบไปจึงได้รับผ่มตัพยาบาลและพาไปให้หมอรักษาช่วยหายแต่ก็ยังไม่สนิททําให้มีการปวดหลังเป็นระยะระยะ วิบากรรมนี้มาส่งผลเจ้าจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญท้งทานศีลภาวนาปฏิบททัติทานจยเขาถึงดวงใสๆลงพระภายในแล้วก็อุทิศบุญนี้ไปยังผู้ที่เราเคยไปร่วงเกินเบียดเบียนเขาไว้บ่อยๆจ้านักก็จะเป็นเบาๆบาก็จะหายตายก็ไปดีเจ้าที่ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่เกิดมีครอบครัวดีเรียนเก่งได้ทุน จ้ปริญญาด้านวิศวะถึงห้าสาขาเรียนสูงถึงระดับปริญญาเอกการงานดีและมีอารมณ์เบิกบานเป็นส่วนใหญ่นอกจากบางคราวจำเป็นที่จะต้องใช้อารมณ์ไม่เบิกบานบ้างจะก็ปรับใจได้เร็วอีกทั้งมีบุคลิกดีสูงใหญ่แข็งแรงหูดีตาดีรูปหลอ่อความทรงจำดีเพระได้ทำบุญเก่ามาในอดีตเช่น มีครอบครัวดีเพราะในอดีเป็นผู้ที่มีความกระตันอยู่กตะเวทีแต่เลี้ยงดูวิดามานดาเป็นอย่างดีเลี้ยงดูบุตรปรยาและบริวารเป็นอย่างดีมาส่งผลให้มีครอบครัวดีจ้าเรียนเก่งได้ทุนได้ปริญญาหลายสาขากระทั่งเด้จบปริญญาเอกเ แน่ดีเป็นคนอ่อนน้อมมันเข้าไปหาครูบาอาจารย์บันฑิตนักปราชญ์เพื่อใต่าถามความรู้และมีปกติรักในการศึกษาและเรียนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งชอบสนับสนุนให้ทุนการศึกษาบุตรหลานบริวารมาส่งผลแจา้านี่ทำให้เรียนเก่งได้ปริญญาอะสัค่ะมีการงานดีเพราะ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 และเป็นคนที่เคยฝึกสมาธิมามีผลการปฏิบัติธรรมดีจึงสา ม, มารถปรับอารมณ์ได้ง่ายปรับใจได้เร็วมาส่งผลแจ้มีบุคลิกดีรูปหล่อสูงใหญ่แข็งแรงพระแน่ดีได้เคยสร้างถาวรวัตถุที่แข็งแรงสวยงามไว้ในพระพุทธศาสนาคล้ายในชาตินี้มาส่งผลแจ้ มีความทรงจำดีเพราะเป็นคนมีสัจจะพูดจริงทำจริงมาส่งผลแจ่หูดีเพราะชอบฟังธรรมออไม่ชอบฟังคนนินทา <c oughs> ชอบฟังในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ประส่งผลแจ่เอ <c oughs> าละ <c oughs> ใครอยากจะได้หูสวยสวยฟังดี <c oughs> ตามฟังนำ สู ส, สังปรปเตปัญญยังฟังดีทำให้เกิดปัญญามีดวงตาดีแม้อายุเยอะเพราะมองคนด้วยจิตทิพย์ประกอบไปได้วยเมตตาและปรารถนาดีมาส่งผลจานี่ดวงตาดึงงดงามตาดีมีสเสน่ห์จะต้องสั่งสมบุญทุบุญทั้งทางศีลภาวนาให้มากๆแล้วสิษฐานกำกับไว้ในทุกเรื่องเช่นให้อายุยืนในประสบความสำเร็จได้ให้ดีกว่าชาตินี้เป็นต้นจาก จึงจะได้อย่างที่ได้อยากจะเป็นนะจ๊ะผลบนที่ได้ตากบาหลงปูมอาแล้วณะถึงหนึ่งร้อวันและประบสูตรสมุนไรอื่นๆ อ, อ, อยู่เสมอจะส่งผลให้มีอายุวั น, นสุขภัลปฏิพาณที่ดีเป็นต้นจ้ะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็จะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่มีเชื้อใบบ้าปัญญาอ่อนติดตัวไป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 ไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนชีวิตก็จะสว่างสวยดวงใาจะแจ่มใสไม่พร้ามัวจะได้รับความสะดุกสบายต้อรับในทุกสถานที่เป็นต้นจ้ะคืออ น, นิสงว น, นี่เราย่อให้เหลือคำว่าเป็นต้นเห<อ>มือนกันเดี๋ยวไว้จบคืนนี้จะทามงคลห น, นังสือมองคลชีวิตแจกจ่จายจำนวนกว่าแสนเล่มส่งเสริมการศึกษาแก่ภาคพระและเอกชนและตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น บนนี้ก็จะส่งผลให้เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและจะได้อยู่ในแวดวงของบัณฑิตนักปรัชญาจะมีพรรคพวกเพื่อนพื่อนบริวารที่ดีมากเป็นต้นจ้าในช่วงที่ทํางานนั้นก็ได้เชิญเหล่าคนเป็นจานวนมากตลอดสาสิบปีกว่าหลายหมื่นคนนั้นบนก็จะส่งผลให้เป็นที่รักของมหาชนเป็นจำนวนมากจะเป็นที่รักและเป็นผู้นำมหาชนในที่ที่ได้ไปเกิดเป็นต้นจ้าจะเป็นผู้นํามหาชน ที่ทำมรรมเช่นนี้เพราะเป็นนิสัยที่ติดตัวมาข้ามชาติชอบทําคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมและประเทศชาติมาตลอดชามีความชอบวิชาทางการเมืองมากได้ไปเรียนวิชาการเมืองจากหลายประเทศมักจะได้เป็นที่ปรึกษาของนักการเมืองทุกฝ่ายจนได้รับฉา ย, ยาวัพปรูการเมืองเพราะอันนี้คุูใหญ่ส้งตอบอย่ยอๆเพราะยังมีเปเปอร์ที่จะส่ง ให้เจ้าของเคสอ่านนี่เป็นปึกนะจ๊ ะ, ะก็เพราะว่าเดี๋ยวมันดึกนะได้รับชายาครูการเมืองเพราะมีนิสัยเป็นครูเป็นอาจารย์มาข้ามชา ต, ต, ติตั้งแต่ก่อนพุทธันดรที่ผ่านมาและเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมานี้อืมก่อนหน้านั้นแล้วก็เอาตัดตอนมาที่พุทธันดรที่ผ่านมานี้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 แต่ละแกลนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมีเทคนิควิธีการยอะไรต่างๆด้วยความปรารถนาที่จะเห็ น, นาการเมืองที่ดีเกิดขึ้นทั่วโลกจึงได้ทําหนังสือหลายเล่มเชิงครูการเมืองแปลเป็นภาษา ต, ต่างๆหภาษาใช้ในมหาลัยหลายประเทศและดชชอกไม้ช่อดใหม่นั้นจะได้อานิสงส์โดยย่อเอาโดยย่อแล้วกันนะจ๊ะเพราะยาวมากไม่ไหวเรือดึกคือจะได้เป็นที่เคารพเกรงใจแก่เหล่านักการเมืองทั้งหลาย และจะเป็นอบนิสัยวัฒนธรที่จะต้องมาทําหน้าที่เดิมๆแบบนี้อีกหลายชาติเป็นต้นเจ้านาทีมาสร้างสมดุลทางการเมืองอืมแควนนั้นแควนนี้ประเทศนั้นประเทศนี้พักนั้นพักนี้คนนั้นคนนี้อืมบ้านนั้นบ้านนี้อืมหรือเป่าก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวนั่นอในการเมืองการเมืองโอก็ลืมไปการเมืองการเมืองนี่ไม่เกี่ยวกันในบ้าน นักกายมื่อที่ดีตามศาสนาคุศาสัชนาจะตั้งอประกอบไปฏิบัติธรรมต่างๆเอาหัวข้อด้วยว่าครับพอมีเยอะทั้งมาอ่านแล้เองเนี่ยจะทำประกอบไปฏิบัติธรรมคือข้อปฏิบัติต่างๆเช่นมีพรหมวิหารสีปราศจากอาคติสีประกอบด้วยสังขาวัตถุสี่อธิบาทสี่มีธรรมสิทประการสําหรับผู้ปกครอง <laughs> เยอะแยะเลยประกอบด้วยบารมีหมีขันติสุรจัะมีหิริโอตปะมีอธิษฐานทำสี่มีข้าบเดี๋ยวทำสี่มีราชสังฆาัตถุสมีสัพปุริสธรรมเจ็ดมีคุณธรรมผู้เลียนหกมียุติธรรมห้ามีธรรมเป็นเครื่องให้ก้ารหน้าเจ็มีไตรสิกขาและปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทสมเช่นเว้นจากสุจริตประกอบสุจริตทำแจของตนสะาบริสุทธิ์เป็นต้นจ้ะรายละเอียดนี่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยนี้ นี่เดี๋ยวเอาเอาปงนี่พึ้งนี่นี่นี่ปึงนี่พี่ึงนี่ปึ้งนีน่ปึ้งนี่ลัรเรียนมีมากมายแล้วค่อยนําไปหาอ่ า, อานศึกษาเอาเนาะจ้ะถ้าตาตามนี่ก็จะเป็นที่รักของมหาชนและจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นตอนจนประเทศชาติและโลกจ้ะแต่ถ้าโดยย่อก็คือต้องเป็นครูและนักปกครองในตัวถึจะเป็นนักการเมืองที่ดีเนาะจ้ะแล้วเครู ที่สอนนักเรียนที่อยู่ในกระจกได้ไปยืนที่หน้ากระจกดูมีนักเรียนคนไหนอ่ะคน <c oughs> นั้นแหละและก็เป็นนักปกครองคนที่อยู่ในกระจกก่อนก่อน <c oughs> อปกครองคนนั้นก่อนเนี่ยให้อยู่ในในล่องในลอย ใ, ในลู่ <c oughs> ในอะไรต่างๆให้ดีทั้งนั้น เราไปดูตรงใน้กระจกกันนี่แหละใครเป็นนักครูทั้งนักปกครองนักเรียนในนั้นบุคคลในนั้นก้อนนี่นะจ๊ะแล้วก็อืมต้องเป็นนักนัก น, กนี่ก่อนจะเป็นนักการเมืองต้องเป็นนักการบ้านก่อน ค, ค, คือบ้านคือส่วนย่อเหมือนห้องแ l a บห้องแ l a บ, บ, บที่จะดูแลทุกๆคนในบ้าน ให้อยู่เย็ยนเป็นสุขบำบัดทุกบ์บำลงสุขต้องครองตนครองคนในบ้าน <c oughs> และครองงานในบ้านในห้องแล็บเนี่ยการบ้านก่อนเป็นนักการบ้านก่น <c oughs> ให้อยู่เย็ยนเป็นสุขก่อนนี่ไงไง่งายๆตามภาษาครูผู้ใหญ่ <c oughs> แล้วข้อเมื่อทำได้แล้วอาจารย์จึงขายายมาเป็นระดับพลอทโปรเจก คือมาเป็นนักการเมืองนี่ระดับประเทศได้เราขยายมากี่เท่าล่ะอาจจะท้องถินก็นจังหวัดนี่แล้วก็ประเทศขยายระดับห้องแล็บไปสู่ระดับพลอตโปรเจกต์แล้วถึงไประดับโรงงานนี่ขยายต่อไปอีกคือการโลก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 จะทำยังไงจะมีดวงบัญญารู้วิธีการที่จะขยายความสุขที่จะปกคล้องตัวเองให้เป็นคนเก่งและดีเป็นคนมีมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมอะไรต่างๆยางไงจะมีศีลห้าบันพระศีลแปดศีลห้าเป็นปกติแล้วก็มีธรรมคือข้อปฏิบัติแล้วก็ไปหาเอานี่ เอาอย่างนี้น so. ี่ต well ึงคัดมาจากคาสอนพระสัมมาสัมพุทธงผมขอาพระสัมมาสัมพุทโธแล้วก็มาเรื่อเปลี่ยงใหม่ไอ้จั่เนี่ยๆเียเช่นโอ้เยอะแยะเลยผมไ่หาสี่ไม่ตากรื่องมุทิเต้าเบคขากติสี่กั้ฉันทากติโทสะกติโมหะคติพยากติอย่าลาเอียเพราะรักเพราะโกรธเพราะขลาวเพราะกลัวสักการบุตรสี่ก็ทานพยะวจาราทัจเริยสมมาตาให้สิ่งของให้ใยคำเพละ ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต, ตัวเองโดยเหมาะสมอย่างนี้นะจ๊ะทติบารสีฉันท์ธรรมริยคิตามิมังสาแล้วก็ตรงนี้สําคัญข้อปฏิบัติของนักปกครองสิบประการหนึ่งทานคือการให้ปันจะ เ, เป็นการให้เพื่อบูชาคุณหรือเพื่อการอนุเคราะห์สองสีใ น, นการสารวมการบระจาคใจเรียบร้อยสะอาดยิงานสบริจาคจะแก่การให้ทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือความทุกข์ยากหรือร้อยของผู้อื่นหรือเป็นการเสียสละเพื่อหวัง ให้ผู้รับได้รับความสุข 4. อาชวะได้แก่ความมีอัตฉรยาสายเื่อตรงมั่นในความสุจริตธรรม 5. มัตตวะได้แก่ความมีอัตฉรยะสายดีงามละมนละ ม, ม, มอ่อนโยนสุภาพ 6. ตะบะต้องมีนักป ก, กครองต้องมีตะบะได้แก่การบำเพ็ญเพียพรปพิกกระจับหรือทําลายอาคูสุลธรรมให้สิ้นไปจากใจ 7. อกอทะได้แก่สามารถระงับความขัดแย้เสซึส่งความกโกรธเพราะมันเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเพราะคนนั้นก็จะเอาอย่างนี้อีกคนนี้ก็จะเอาอย่างนั้นคนนี้มันเยะแยะหมดมันก็ชัก อารมณ์เราดีๆตามเสถียรอะไรเลย<ช>อืรจ์จะระบายมันก็จะให้ล้นออกมา<ช>นี่เขาเรียกอากาูตฮะแปด อ, ว, อวิหิงสาคือต้องไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเ<ช>ก้าให้มีขันติคืออดกลั้นไม่ปล่อยกายประจใจตามอารมณ์หรืออํานาจกิเลสที่เข้ามาบังคับ<ม>ความโลภความโกรธความหลงเมื่อมันเข้ามาบังคับเราก็ต้องยับยั้งมันไว้พอมันบังคับเรายับยั้งนี่พอบังคับอ๋อ ยาอะไรอย่างนี้สิบอวิโรธนั่นแก่การทํารงรักษาไว้ซึ่งความอยู่ิธรรมสิบประการนี้คือข้อปฏิบัติของนักปกครองไม่ว่าจะท้องถิน่นภายในบ้านท้องถิ่นประเทศหรือโลกต้องมีแล้งมีบารมีรมหเยอะๆไม่อ่านละมีขันติสโสฬานี่เห็นไหมจะ๊ะทําให้งามอดทนสงบส ง, งียมมีเฮลีมีอตะปะคือปัจจัยมันหยุดนิ่งอยู่ภายในเดี๋ยวพวกนี้มาเกิดก็มาเองแหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นี่แค่ขยายความรู้จากจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดออกมาเป็นหัวข้อทําอะไรต่างๆนี่พระสัมมาสุพจิตรังขยายจากภายในออกสู่ภายนอกเรียงกันไปตามลําดับอาจาที่เป็นอ่านเอาไปแล้วกันนี่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นครูเป็นนักปกครองคนที่อยู่ในกระจกกแล้วก็จึงขยายเมื่อสมาชิกในบ้านครองตนเองครองคนในบ้านแล้วครองงานในบ้าน จัดระเบียบตรงนี้ให้ดีทีเดียวให้ดีทุกห้องเลยมันมีตั้งหลายห้องในบ้านนะดีทุกห้องเลยพอทาการบ้านในระดับห้องแแบบดาจึงขยายไประดับพายโหลดโปรเจกต์ถึงจะการเมืองอา้จึงระดับโรงงานคือการโลกนะจ๊ะเมือ่อยีสบสองพฤศจิกายนสอง8ห้าแปดโอ้โหนี่คือพระัติศาสตร์คเป็นบนดุทึแผ่นทองที่ปิดหลังองค์พระประมมาที่เป็นอมตะ เลยล้ำค่ากว่าเพชรได้เข้าไปพูดคุยตัวต่อ ต, ตัวกับบุคคลทำงานโลกท่านหนึ่งคือท่านเหมาเจิ้ตุงในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งจะเป็นเหตุให้ประเทศไทยพ้นจากความเป็นกัมมันต์และพระพุทธศาสนาได้ดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ท่านมีอุปการะรคุณมากทีเดียวต่อพุทธศาสนาบ้านเมืองอย่างสำคัญท่านหนึ่งทีเดียวคใครสร้างสมเดินสมดุลทางการเมืองระหว่างแคว้นมาก่อนนั่นกล่าว อืมเพราะเพราะนะที่ไปเจอกันเนี่ยแล้วคุยแล้วก็เกิดสิ่งดีดเนี่ยเพราะเคยเคยสร้างสมดุลทางด้านการเมืองระหว่างแคว้นมาก่อนเนี่ยเมือ่อพุทธนนที่ผ่านมาถามท่านไหมจ๊ะตอนเป็นมหาหมาัดผู้ใหญ่ของพระราบิดาของพระราชาองค์ที่เอาอบทเพื่อให้แควน้นกับแคว้นกระทบกันผังนี่ติดตัวมา<อ>แต่ในอดีตก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษกับบุคคลท่านนี้ที่ไปพบอืมท่านมาเมท่านอีกทางหนึ่งแล้วท่านก็ไปเมื่อทาอีกทาง ไปไนไม่ต้องไปรู้จะมีไอสสงายยอคือในภพชาติต่อไปก็จะได้ไปเกิดในแผ่นดินในมีพระพุทธศาสนาจะมียุขายยืนยาวนานสตรูโมภัยไม่อาจทำอันตรายท่านได้จะได้บรรลุธรรมและแตกฉานในธรรมทั้งหลายของรสม ม, สมมรสมุติเจ้าผรักษาพุทธศาสนาไว้ด้วยและจะได้ไปเกิดในครอบครัวที่อยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขแล้วก็จะเป็นสุขทุกแห่งหนไม่วันในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศเป็นต้นจ้ะสาธุก็นานี้ได้นั่งธรามะทุกวัน และมีผลการปฏิบัติทมที่ดีที่สุดที่ผ่านมาคือเห็นดวงแก้วสายสว่างขนาดใหญ่เต็มท้องมีปรากายเพชรโดยรอบมีความสุกตัวเบานั้นก็เป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระธรรมกายอีกนาทีเดียวแต่นั้นจะถึงทำไมเลิกซะก่อน <c oughs> ให้ทำความเพียรต่อไปอย่างสม่งเสมออย่าให้ขาดเลยไม่แต่เพียงวันเดียวก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้เพราะทาถูกหลักวิชาแล้วจ้า <c oughs> กองพุธทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เป็นกองเสบียงกองพุธทธันดรนะไม่ใช่พุธทธันดรที่ผ่านมาอาจารย์กองพุธทธันดรที่ผ่านมาจะเป็นกองเสบียงสนับสนุนในการเผยแพร่พุทธศาสนาวิชาธรรมากายมาหลายชาติแล้วในรูปแบบต่างๆแล้วแต่ว่าในชาตินั้นจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามชั้นชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงในที่สุดก็จะมาสนับสนุนเป็นกองเสบียงให้กับการเผยแผ่พร like ะพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลก โดยเฉพาะพุพทธันท์ที่ผ่านมาได้เป็นมหามาตผู้ใหญ่ของพระราชบิดาของพระราชาองค์ที่ออกบวชบวชพระราชบิดาองค์นั้นสิ้นไปชนแล้วพระราชโอรสก็ได้ขึ้นมาเป็นพระราชาอยู่ระยะหนึ่ง ค, คือพระราชบิดานี่มามีครอบครัวมีมเหสีตอนแก่นะตอนแก่ไม่นานเท่าไหร่แล้วจะหลังท่านกับพระพุทธพรมจันท์จนหมดอายุไขเลยแล้วก็ ถ้าใดจาอันท่านี้ท่านมาเป็นมหามาตย์ผู้ใหญ่ของพระราบิดาต่อมาเมื่อพระราบิดานสิบปีเฉลนแล้วพระราชโจรลก็เลยขึ้นเป็นพระราชาอยู่ระยะหนึ่งต่อมาเมื่อเห็นภายในวัฏจักสงสารก็เลยสละราชบัลลังก์แล้วก็ออกโบสถ์เห็นมันจะเพจนัออกบสถเป็นเพจ ท, ที่สูงสุดราชบัลลังก์เล้อเล็งเล็กส่วนมหามาตทผู้ใหญ่ของพระราชบิดาเขา อ, อายุมากแล้ว ก็ได้ตามมาทำบุญสนับสนุนเป็นกองสเสบียงในบ้านปลายของชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เห็นดวงสใสๆองค์พระสใสๆสว่างๆพ่อประคองตัวเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้<า>แต่เรามาสามร้างบารมีสองรอบจ้ า, าอดีตมหมามหาผู้ใหญ่ปัจจุบันก็นมาทำบุญกับหมู่คณะในบ้านปลายชีวิตคลายพุทธันดนที่ผ่านม า, าแต่ก็มีกำลังบุญเพียงพอที่จะสนับสนุนในเผยแพ่พระพุทธศาสนา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 ชอบสนับสนุนการศึกษาให้วิทยาทานมามากและมักจะเข้าไปไต่ถามบัณฑิตนักปราชญ์เพื่อสแสวงหาความรู้มาหลายชาติแล้วนิสัยคล้ายกันโดยบนนี้ยังส่งผันน้มาเป็นคนมีสติปัญญาฉลาดแหลมคมและก็ได้เคยเป็นญาติกันมากับท่านอาจารย์ในอดีตโดยมีศัก์เป็นหลานคล้ายชาติเนี้ยและได้สนับสนุนหลายคนนี้ให้เจริญรุ่งเรือง ในการรับราชการในราชารสำนักของพระราชาองค์ที่ออกบวชนี่หลานชายคนนี้ได้รับราชการในราชารสำนักของพระราชาองค์ที่ออกบวชโดยเป็นราชบัณฑิตราชบัณฑิตของพระราชาองค์ที่ออกบวชหลานชายคนนี้ด้วยบุญที่เคยเกือ้อกูลมาจึงทําให้มาเป็นญาติกันอีกในชาตินี้และได้มาเกือ้อกูลกันในปัจจุบันในชาตินี้อีกจ้าได้ดีก็มีสายบุญกระหม่อมมา แต่ว่าหลานชายคนี้เป็นคนเจ้าปัญญา<ม>เป็นคนต้องการเหตุผลนักคิด<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>จะอธิบายนักคิดกระจายตั้งค่อยๆ อ, อธิบายหกระจายเรื่องราวของหมู่นะคณะเพราะนักคิดเดี๋ยวก็จะอาไปวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นีว่วิจัยวิจารณ์แต่ว่าฝังเดิมมีอยู่สักปันเนินก็จะเข้าใจ และก็จะมเป็นกำลังสําคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วยใช่ไหมคและดีที่สุดก็คือหลานชายเจ้าวิยาท่านนี้ <c oughs> ต้องนั่งสมาธิให้เลยจุดของความเป็นนักคิดไปสู่ความไม่คิดสู่แรงแห่งความไม่คิดสู่แร ง, แงความปลอดความคิดทําจิตที่สุนกับแล้วเดี๋ยวจะพบคําตอบของชีวิตอื ผู้ช่วยดูแลสุขภาพทั้งสองคนได้รู้สึกค้นคอยและอบอุ่นไม่เกี่ยวเลยก็อเอียวด้วยเมือเวลาพบปะสนทนานด้วยนี่ก็จะทำให้ความกังวลใจหมดไปนั้นพุทธสันนอนที่ผ่านมาทั้งสองคนได้เป็นทหารพระราชาวองค์ที่ออกบวชฝ่ายเสยนารักษึงเป็นได้รับมอบหมาให้ไปดูแลสุขภาพข้าราชการผู้ใหญ่ในแผ่นดิน่อน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 เลยได้ช่องมาทรงผลอืสมปรารถนามาเป็นผู้หญิงเลยปากว่ามีสาวๆเยอะมี ส, สาวๆมีน้องหญิงอชานี้ยัง ก, กว่านๆที่มีความก็ตัญญูกับครูแม่ยายเพราะเคยสร้างบุญร่วงกันมานับพบแล้วชาไม่ั่วแล้วจ้าชานี้มาเจาแล้วกันแล้ ว, ลวให้ตังหัยสร้างบารมีให้เต็มที่นีนทุกบุญ แลรติสารจิตตามเต็มพิธีศรีวงมุนพิเศษเคสวลลโมโพลิสัตย์จะได้พลัดกันเลยจ้าจะกลับเป็นเรื่องราบของเคสทัพย์ดีสั้นๆสำหรับคืนนี้